ออกหนีน้อมเข้ามาเขามาดูมันเอฮิปจิโกเรียกเข้ามาเรียกจิตของเราเข้ามาดูลูสิ่งที่เราน้ อ, อมเข้ามาเราให้คิดคิดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้น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 ลองลองดูสิคือนอบออกไปไม่ได้น้อมกลับมาพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าให้รู้ฉลาดในการกา ร, ารักษาจิตของเราให้รู้จิตของเราจะกระให้ฉลาดในการรักาษาจิตของเรา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 แต่พิจารณาเห็นว่าอารมณ์นั้นมันเกิดแล้วมันกลับไปพวกมันอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาอาวิชชาความไม่รู้จักก็กำหนัดเมื่อกำหนัดแล้วก็ไปสําคัญมันหมายว่าอันนั้นเราชอบอันนั้นเราไม่ชอบถ้าจิตเกิดขึ้นในขณะอย่างนี้เราก็เห็นแต่ว่าไอา้จิตที่มันชอบนั่นแหละมันดี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 บางคนก็เข้าขใจว่ามันพอดีบางคนก็เข้าขใจว่ามันเล็กอืนี่คือความเห็นนะออคือความเห็นเนี่ยเพราะความอยากจึงทําให้รูปนิมิตรรูปนี้แปรไปตามสภาพของมันแปรไปตามสภาพสภาพของกันหาร แต่ความเป็นจริงนั้นมันจะแปลไปยังไงก็ช่างมันเป็นสักแต่ว่าความรู้สึกหรือความรักความหลงเท่านั้นที่มีตัญหาคือความอยากนั่นนะ่ะไอของวัตถุอันเดียวกันนั่น อ, อ, อย่างลูกนิมิตลูกเนี้ยความอยากมันเกิดขึ้น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 โดยสภาพความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นการหาเขามาผลแล้วมันจะมาปรุงมาแต่งลูกนิมิตอันนี้ให้โตขึ้นให้เล็กตังก็ได้ mm hmm. เมื่อปรุงให้มันโตขึ้นมันก็เห็นลูกนิมิตนี้ว่ามันเล็ก mm hmm. เมื่อมันเห็นลูกนิมิตบ่ามันเล็ก มันก็พุ่งใมันโตไปกว่านี้คือหมายความว่าคนคนหนึ่งอยากได้ลูกนิมิตให้มันเล็กกว่านี้ลูกนิมิตลูกนี่มันก็โตนี่อีกคนคนหนึ่งอยากให้ลูกนิมิตลูกนี่โตขึ้นกว่านี้ลูกนิมิตลูกนี้มันก็เล็ก แต่ลูกนิมิตลูกนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้มันไม่โตไม่เล็กแล้วเออไอคนที่เขาไปสำคัญมันหมายว่าอยากจะได้ลูกให้มันโตกว่านี้มันก็เล็กบางคนอยากใจลูกนิมิตนี่เล็กว่านี้น ด, ดูนิมิตดูนี้มันก็โตเท่านั้นแหละ เ, ออเท่านั้นเองมีตัณหานี่เดียวไ อ, ไอ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 มันเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่วิ่งตามใครถ้าลูกนีเม็ดลูกนี้มันไม่วิ่งเราก็วิ่งเราเองวิ่งไปหาลูกให้มันโตก็นี่มาหรือจะมาทําลูกเนี้่ยมันเล็กลงมันก็เกิดความลาบากกันอีกแล้า เ, เราดูอย่างนี้กับมันกันอืมดูอย่างนี้กับมันกันสัมผัส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 มันจ่างคนจ่างคำตามหน้าที่ของใครของมันตอนนั้นเนี่ยรู้ไหมนะตาหูจมูกร้นกายกายมันรับสัมผัสอย่างเดียวเสียงมันกระทบเขาในหูไม่ใช่มันกระแทกไอ้กายมันเรื่องกระทบนี่ตาหูจมูกลร้นกาย ห้าอย่างมันมารวมลงไปในที่จิตจิตเป็นผู้คุ้มครองจิตเป็นผู้รับรู้จิตเป็นผู้ทำงานเราจะนั่งดูในสมัยหนึ่งผมภาวนาประมาณในดาวสัก 3, สามพันศารไปนั่งกำหนดอยู่ที่สงบสงบ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 เงียบเก็บตัวเงียบไม่ดุเด็กเนี่ยถ้าเราไปดูคล้ายๆมันเป็นไอ้มเมล็ดอันใดอันหนึ่งที่มันทิ้งอยู่นั้นเนี่ยแต่เป็นตัวแมลงมุมแต่มันเก็บตัวมันเงียบเมื่อไอ้แมลงพึ่งหรือแมลงวันบินเข้ามาติดหลังปุ๊บพอสัมผัสพบมันกูวิ่งชาดไปจับเลยจับแมลงไว้หันหันหันเอทิ้ง กลับมาอยู่ที่เดิมอยู่เก็บตัวอยู่ให้เงียบข้อดีตัวอันใดอันหนึ่งที่มันมาผ่านเขาในรังมันก็รู้สึกมันก็วิ่งเข้ามาจับเราหันไว้ดูที่รังมาเรงงมดูเก็บมันไว้เท่านั้แหละใหญ่มันเอาหันไว้หันไว้ตลอด เพื่อเป็นอาหารของมันอืมเมื่อคราวที่มันต้องการมันไปไปจับแมงมันเป็นอาหารของมันมแมลงเต่ามดติดอยู่นั่นนะเราไปนั่งอยู่พิจารณาอยู่ซึ่งจิตของเจ้าของแล้วจะเกิดความโรคสิวตาโอ้จะมูกปีนตายเหมือนรังมแมลงมุมจิตเหมือนตัวมแมลงมุม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 ช่างเห็นว่าไอ้ของนี่หยิบขึ้นมาแดียวมันหนักเท่านี้ก็พอแล้วนับได้มันก็วางเดี๋ย ว, อ, วอันนั้นอันนั้นเป็นของของคนอื่นท้องอย่าไปเอาของเขาเลยเป็นของเขาคนนั่นนึกแค่นี้ก็กลัวแล้วไม่ต้องไปเปิดดูในตำราเห็นอย่างนั้นจริงกลัวหรอกนี่คือคนดี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 อย่างนั้นเราจึงเพ่งอยู่ที่จิตรู้ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ย ม, มีสติและรึกได้อยู่สัมปชัญญะรู้อยู่ปัญญารอบรู้อยู่ในที่นั่นมันก็เกิดความสังวรเกิดความสังรวมขึ้นมาในที่นั้น ถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาสิตาหูจีบหมวกีตายมันกระทบมาแล้วเป็นความสุขกว่าดีเป็นความทุกขกว่าดีเป็นความดีใจกว่าดีเป็นความเสียใจกว่าดีเนะอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วอืถ้ารู้อย่างนี้ถ้ามีความรักมันก็ออาไปยึดรู้ยึดถ้ามีความเกลียดมันก็ไปรู้แล้วไปยึด นี่อันนี้ไม่ใช่ธรรมดาเละไม่ใช่รู้ธรรมดาเละไม่ไม่ใช่รู้ตามสภาวะมันแหละถ้ารู้ตามสภาวะของมันแล้วเนี่ยมันรู้อะไรมันต้องปล่อยรู้เรื่มันต้องวางอื ท, ทําไมท่านจึงทำอย่างนั้นเพราะท่านเห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมากที่สุด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 วิ่งอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นแหละเมื่อไรมันจะหยุดก็มันไม่เห็นอย่างนี้เมื่อมันไม่หยุดมันจะสงบไหมมันก็ไม่สงบเท่านั้นมันก็เป็นวัตตะมันก็หมุนเย็นเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเรื่อยไปเท่านั้นนี่นี่มปนตัววัตะมันเป็นอย่างนี้ตัววัตะมันเป็นอย่างนี้ก็เราไม่เห็นโทษไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นโทษในการกระทาเช่นนั้น ไม่เห็นประโยชน์ในการทําทั้งหลายเหล่านั้นสําเร็จแล้วอย่างนี้ฉันก็ไม่ตรงมากถ้านี่กว่าอาการสังวรหรือสังรวมเนี่ยไม่ตรงว่ามันเป็นอะไรล่ะอืมให้รู้เนี่ยมันรู้แล้วมันปล่อยมันรู้ที่ถูกรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วให้ปล่อยรู้แล้วให้วางทําไมถึงปล่อยถึงวางมันมันจะกัดเอา ไปตะคุบมันกัดสิลองลองดูสิ hmm. เอา้าดี <Yeah. S 1> เห็นผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิงผู้หนึ่งไปไปรักมันสิเตรีย้ยมเยอะมากวนเราบ่อยๆเลยมากัดเอาไปจับมันสิ <Yeah. S 2> เดียวคนนั้นมันไม่ชอบจะหน้าทั้งเกลียดมันไปเกลียดมันสิมันจะกัดเราเนี่ยนั่นมันเกิดทุกข์ขึ้นมาทีเดียวเนะี่ย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 ไม่ใช่อื่นไกลเลยที่นี่อย่างเราเห็นลูกนีเม็ดลูกนี่ไม่อยากจใจมันโตกว่านี้อยากไม่อยู่เดียกวกต่ทุกข์เท่านั้นหรืออยากจะเห็มันเล็กกว่านี้เดียวมาเห็นอะไรก็เป็นทุกข์ที่นั่นมันเล็กอยากจะให้มันเล็กโตไปอย่างนี้อืมอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็นสอนว่าปัญญารู้เท่าตามสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไร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 เดินตรงไปด้วยเมื่อเราไปพบท่อนไม้ท่อนหนึ่งทีนก้อนหนึ่งขวางทางอยู่แล้วก็จับมันเบี่ยงออกไปเบี่ยงออกไปด้วยเท่า น, นั้นแหละมันเบี่ยงออกจากทางนะไปเท่า น, นั้นเ่ยอันนี้หมายถึงว่าเราจะทำจิตให้มันสงบให้มันเป็นหนึ่งนี่ อารมณ์ซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันจะมารวมอยู่ที่จิตเนี่ยเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาที่จิตนี่จิตมันก็ยุ่งเหมือนกับก้อนหินที่มันมันขวางทางเราอยู่นั่นแหละถ้าเรดินไปมันก็ขัดห้องไงแล้วก็หยิบมันออกเสียออกจากทางแล้วเสี้ยอารมณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นมากระทบในเวลานั้นเราก็เห็นว่าอานิจังทุกขังนาตาเนี่ย มันเป็นนักหยิบมันออกไปถ้าปล่อยอย่าไปยึดอะไรทั้งนั้นใหนร้รู้มันจะ ป, ปล่อยไปเดินเรื่อยๆเออความรักมัน ก, ก็ปล่อยมันไปอความเกลียดมันก็ปล่อยมันไปจ้ะอยากมาเราก็ปล่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยมันไปซ่ละเอียดก็ปล่อยมันไปด้วยเท่านั้นแหละแล้วจะเก็บไปถึงขนาดไหนจบทางเมื่ อ, อไหร่ยังไม่จบแล้วก็เก็บมันไปอยู่เรื่อยนี่ลักษณะปฏิบัติอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเน้น ไอคอนที่รู้จักว่าไอ้ก้อนดินก้อนหินเกิดขึ้นมามันขวางทางเราน่ะคือจิตอไอ้ก้อนอินก้อนหินมันคืออารมณ์นี่ถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งเดินไปตามทางรู้จักว่าอะไรมันขวางทางเราเช่นี้เป็นต้นเราก็ต้องพยายามทําทางแล้วให้มันเตียนให้มันสะอาดจะพยายามขวดัดหรือเช็ดหรือเก็บก้อนหินก้อนไม้นั่นออกไปเรื่อยๆไปถึงความพยายามของเรา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 ท่านพระคุณท่านจะนิมนต์ไปไหนครับหยุดมองลงดูจิตของเจ้าของก่อนในสักพักนึงไปจังหวะเรากพูดโยมอาจจะมาจะไปที่โน้นด้วยมีสติพออท่านจะถามว่าเขาจะถามว่าท่านจะไปธุระอะไรอาจจะมามีธุระเล็กๆน้อยๆอยู่เนี่ย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 โดยมากมันชอบเป็นอย่างนั้นลองลองดูที่พระเนียนในวัดเล้วนี่ให้ก็ไปในป่านี่เห็นงูตัวหนึ่งขนาดขวดนี่นะออกมาีาน้จะมีใจตื่นเต้นเนี่ยไปเห็นคนคนเดียวเนี่ยจะวิ่งออกมาแมง้งูที่มันใหญ่เหลือเกินขนาดไหนขนาดขวดที่ไม่เอาหรอกขนันขวดเที่มันเล็กไปไอตัวไม้ขนาดนี้ยังเล็กไปเท่าไดรนู่นโทโทรูขนาดนี้นะ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 อพรุ่งนี้ท่านจะไปจะบินจะไปบินถวาตมัรกอ๋อไหมยังไม่แน่ยังไม่รู้จักนี่ท่านจะไปวารินไม่พรุ่งนี้ยังไม่รู้ยังไม่แน่นี่นี่เป็นคำพูดที่ดีที่สุดเราพูดเราจะครึ้นหนึ่งเป็นคำพูดของนักปราชดีที่สุด คุณจะไปไวรินไม่พุ่งอีกไปรับรองไปเดือดขาดเลยอย่างนี้เป็นโทษเป็นคําพูดของคนงูนี่รู้ไหมว่าสภาพที่มันเป็นอนาคตนะรู้ไหมว่าไอ้พรุ่งนี้เราจะไปไวรินเนี่ยความตั้งใจเดี่ยวนี้มันไม่มีอะไรนอกจากไปได้เอย่างนี้ไอ้พรุ่งนี้บางทีตกต้นไม้สักขามัน ลืมมันปวดท้องนะไปไม่ไหวยังไงทําไงอย่างนั้นพระพุทธทองค์ท่านยังสอนมาเรื่องไม่แน่นี่เป็นธรรมที่แน่แน่นมันไปกันไปอย่างนั้ น, นท่านพูดว่าไม่แน่นี่เราคือมันแน่แน่อลองดู ล, ลองดูสิไม่แน่นี่คือท่านรับรองแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้น สบายใจพูดทุกทีพูดทุกคำถูกทุกคำอลองสิ อ, อะไรแต่พวกนี้ตระกลับบ้านไม่แม่แน่ถูกไปก็ถูกไม่ไปก็ถูกนีไ่ไปเลยพวกนี้ไม่ไปน้อยถูกน้อยหรือไปพวกนี้แน่นอนถูกน้อย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 ไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดินรถพุทธธาตุธำรวมแรยใจโพชเนมะทันยูตารู้จักประมาณในการบริโภคหาแจกปวอ น, วนอชาคดิยาโดยโยกปกอบด้วยความเพียรเหมนเขียนนอนมากนะเป็นอภรรษกาปฏิปษาช้่อปฏิวัติไม่ผิดเอ็นซีสังวรสังรวม ชาก็ทั้งรวมหมูกับสัรวมสะดวสดูจมูกกัสังรวมสังรวมดว ม, ดว ม, มดทุกอย่างคือการเรามีเรามีสติอยู่นั่นเองใช่โพชเนียมาตันยุตารู้จักประมาณในการบริโภคนี้ถูกชาคณิญานุโยก ป, ประกอบโลยความเพียรไม่ไม่เห็นแต่ น, นอนมากนักอ่านดูสิ อปปนากาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดอันนี้ไม่ใช่ธรรมะคนธรรมดาแล้วนี่พูดมาถูกละเรื่องที่คนแต่งขึ้นมาเราก็รู้จกักอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มันเป็นเรื่องหลุดออกมาจากพระอริยะบุคคลซึ่งไม่มีจริตดแผดเผาแลว้วอ่ะอัปปนากาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดนั่น อินทรีสังวรสังรวมอินทรีหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดินรถปถะปูธรรมรงมือใจอสังรวมอยู่ตรงนั้นไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินดียินร้ายหมายถึงว่ามันก็ต้องยินดีมันก็ต้องยินร้ายแต่ท่านบอกไม่ให้ยินดียินร้าย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 ยินดีนั่นมันก็เป็นกีเรตยินร้ายก็เป็นกีเรตยินดียินร้ายเป็นอุปทานทั้งนั้นท่านยังไม่ให้ยินดียินร้ายแต่ในปัจจุบันนั่นเราไปเห็นต่นไปมันก็ยินดียินร้ายทำไมเพราะเรายังไม่ฝึกจิตของเราล้วก็คิดว่าไม่ให้ยินดียินร้ายทำไมมันยินดีเนี่ยก็คือมันไม่รู้จักโทษอนันตตามความจริงมันก็ยินดี ไม่รู้จากโทษอันนั่นตามความเป็นจริงมันก็ยินลายนี่มิฉะนั้นการจะให้สังรอนสังรวมปฏิบัติเอาดีเอาร้ายมาประกบกันเข้าไปแต่ให้พิจารณาวางถ้ามีดีมีร้ายก็มีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์ไม่มีดีมีร้ายก็เรียกว่ามันหมด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 คุยกันอย่างนั้นก่อคุยกับเขาเขาทามานั่นก่อนทำกันแล้ไม่รู้เรื่องรู้ราวบวชต่างหลายพรรษาก่อนไม่ได้ปฏิบัติอะไรนีม่มีปฏิบตัติเรื่องปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนคนคนเดียวนะ่ะไข่ายเนี่ยมันไม่มีกระดูกระหว่า ง, งานั้นมีแต่เนื้อทั้งนั้นน่ะถ้าเรารู้จากการปฏิบัติแล้วนะ่ะจะอยู่ที่ไหนก็ตามามันจะมีแต่เนื้อทั้งนั้นไม่มีกระดูก่ไม่มีทิ้ง จะอยู่ในกลุ่มชนหมูมากหรือกลุ่มชนหมูน้อยมันจะ ม, มีกระดูกก็ไม่มีแต่เนื้อทั้งนั้นรู้จักถึงนัทธรุไม่ติดอยู่ได้ไม่มีนี่คือเรานักนกันจะวิ่งตามมันต้องหยุดหยุดโดยวิธีอันนี้เรามีสติอยู่เช่นว่าเราบวชใหม่เป็นต้น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 มันสบายโดยกันได้าได้มิตรที่สบายปฏิบัติเหมือนกันหลือมันมีติดเพี่ยนกันกับเล็กๆน้อยอยู่เหมือนกันทําเหมือนกันอาหารก็เรียกว่ามันพอไปเราไม่ต้องเกี่ยวมันล้อาหารนั่นอย่างวัดประพงศ์เราเนี่มันพอละมิแต่เรามันเขียมันออกไหมมันจะมาทับเรา ลูกจากอาหารไปที่มันน้อยก็น้อยอย่างนั้นไปทียมันมากมันก็น้อยอย่างนั้นจิตใจของเราเงี้มันไม่เพลินะไอเทียมันที่เขาไม่เพลินมันก่อมันก็อยู่อย่างนั้นที่เขาเพลินมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่วิ่งอยู่ใกล้อูบาอาจารย์อืม ในการเทศของครูบาอาจารย์ม่ใช่นั่งเทศตลอดคืนตลอดวันเมื่อไปเช็ดเท้าท่านเมื่อท่านไปเช็ดกติท่านเมื่อท่านไปทางานท่านท่านจะบอกเราท่านเทศให้ฟังหมดแต่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายขอเฉ่าเราให้มีสติว่าเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วนั่นน่ะท่านก็จะปฏิบัติ ท่านปฏิบัติท่านก็พูดเรื่องปฏิบัติแล้วก็สังเกตเหตุการณ์ดีของเราไปอย่างฉะนั้นสมัยก่อนผมก็คิดว่าต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างใ 5, ารห้าภษานี้เดี๋ยวนี้ทนไม่ไหวแล้วไม่ต้องอยู่มหม่ไปก็ไปหรือไม่อยู่ก็ไปอะไรมันวุ่นวายเพราะที่ริดอย่างี้ที่จะไปก็ต้องมีพี่เลี้ยงแต่มอบไปไปกับพระองค์นี้ทาองค์นั้นอย่างไร เมื่อท่านเห็นเหมาะสมแล้วท่านก็ฝากไปให้รักษาปกครองถ้าท่านไม่เห็นสนแล้วก็ไม่อะอย่างข้ามาตั้งแต่เปนไกด์ไม่รู้มาจากที่ไหนเขาอยากจะไปมาหลวงพ่อผมไปกับท่านนะถ้าจะก็นั่งอยู่ทาไงไปก็ไปนี่ก็ไปกันนี่ไปแล้วกลับมาจะหมดไม่มีเหลือแล้ว เเสียคอวัดปฏิบัติขึ้นอยู่กับท่านเธอนานๆถึงสามปีสี่ปีห้าปีแต่อยากเล่อนไปตรงนั้นทําไปตรงนี้อย่างอาจารย์ยนต์เห็นไหมอาจารย์ยนต์อาจาร ย, าารย์ยันเห็นไหมปีนี้ท่านลาอวิเวกท่านจะไปองค์เดียวท่านใครขอไปอ่ะขอเธอะปีนี้ขอไปองค์เดียว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 ใครพูดตรงนั้นก็ไปคุยตรงนี้ก็ไปตรงนั้นบ่ญว่นวันนี้ก็หมดวันไปคืนก็หมดคืนไ้ไม่ได้เรื่องอะไรตกลงอยู่เฉยๆไม่เฉยใ ช, ใชย่อืมเป็นโทษต้องเป็นคนให้มีใจพูดมากกว่าปากลองลองดูกันนะปัญญาจะเกิดเราจะพึ่งไปสรรเสริย่าพึ่งไปยินทาคนคนนั้น เรื่องของสิ่งนั้นจะพึงไปดูถูกจะพึงไปส้นเสรินให้ดูดูให้เราดูดูแลพิจารณาแม้อันนั้นมันดีหรือเกินอันนั้นมันมดีมันไม่ดีหรือเกินไอ้จิต ท, ที่ร้องหลวงมันจะบอกมาอย่างนั้นเรานลกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกประกาอันนี้ไม่แน่นอย่ามาละ เห็นรูปที่สวยมาเหม่มันสวยเคินไม่ให้มันสวยไปก่อนเถอะเมื่อมันย้อนกลับมาแล้อันนี้มันในแน่เคาะมันเท่านี้แหละออ่าอันนี้ผมเกลียดเรื่องเกินเราเกลียดเรื่องเกินจิตใจมันเห็นอย่างนั้นก็ให้มันเป็นไปก่อนเมื่อเราตั้งใจขนานี้มันในแน่สับมันเท่านี้เนี่ยลองลดูเถอะไม่ต้องภาวนาม่าหรอกมันถอยถึงนั้นน่ะ มันจะเห็นผลมาจากเรื่องนั้นไม่แน่อไอ้เรื่องคนๆนะ่ะมันจะมีเรื่องราวอยู่ในใจนะอันนึงอยู่นั่นนะ่ะใครๆอยู่ถ้าเราปฏิบตัติมันต้องรู้จักจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเนี่ยไอ้คนคนหนึ่งนะมันมีจิตใจอย่างหนึ่งเนะี่ยเดีวมันจะแหกข้อแหกราวอะไรต่างๆเนี่ยนะเออเพราะท่านปฏิบัติจิตใจของท่านนะ ผู้ปฏิบัติทำไมจะคำนวณเท่านั้นเลยะ